รัตรายปิดกฉบับประชาชนเล่มที่11อพระสูตรที่ส0บสังคีติสูตรสูตรว่าด้วยการร้อยกรองหรือสังคยนาคำสอนพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสองมูใหญ่เสด็จดาวิกไปในแคว้นมัลละทรงแวะณ น, นครปาวาประทับอยู่ในป่ามะม่วงของนายจุนทะบุตรช่างทองครั้งนั้นมัลละกษัตริย์สร้างสันทาคารขึ้นใหม่ สันถาคารคือโรงโถงหรือหอประชุมสันถาคานสร้างใหม่ยังไม่มีใครใช้เมื่อทราบว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จมาจึงนิมนต์ให้สงใช้ก่อนมนลรักษัตริย์จะใช้ภายหลังพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วเสด็จไปพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์พระองค์เองประทับนั่งพิงเสากลางภิกษุงสงฆ์นั่งพิงฝาด้านตะวันออกมลรักษัตย์นั่งพิงฝาด้านตะวันตก พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมจนดึกจึงตรัสให้มาลากษัตริย์กลับได้ครั้นทรงเห็นภิกษุสงฆ์ยังไม่ง่วงจึงตรัสสั่งพระสารีบุตรให้แสดงธรรมแทนพระองค์เองทรงปูผ้าสังคติสี่ชั้นทรงพักผ่อนสมเด็จสีห์สยาในหนังสือเขียนแบบนี้แต่ที่พวกเราส่วนใหญ่เคยได้ฟังน่าจะเป็นสีห์สยญาตคือการบรรทมแบบราชสีคือตะแคงขวา ให้สังเกตว่าคำบาลีหลายคำในพระไตรปิฎกฉบับประชาชนจะใช้คำที่ต่างจากที่พวกเราอาจเคยได้ยินหรือได้ฟังมานะครับหากเจอคำที่ผิดจากคำที่เราคุ้นเคยกันขออนุญาตไว้ล่วงหน้าว่าอาจจาเป็นต้องเปลี่ยนคำเป็นคำที่คนทั่วไปเข้าใจได้มากกว่านะครับพระสาวเรบุตรปรารบความที่นิครณฐาน น, นาตบุตรถึงแก่กรรม สาวกแตกกันเป็นสองฝ่ายโตเถียงกันด้วยเรื่องธรรมวินัยจึงสอนแนะให้ภิกษุทั้งหลายสังคยนาพระธรรมไม่วิวาดกันเพื่อให้พระมรรจันต์ตั้งอยู่ยั่งยืนครั้นแล้วท่านได้แสดงตัวอย่างการสังคยนาธรรมเป็นหมวดหมวดซึ่งจะนำมากล่าวในที่นี้พอเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้หมวดหนึ่งธรรมหรือธรรมะอย่างหนึ่ง คือสัตว์เป็นอยู่ได้ด้วยอาหารหมวดสองธรรมหรือธรรมะสองอย่างคือหนึ่งนามสองรูปหนึ่งอวิชชาความหลงไม่รู้จริงสองภวะตัณหาความทยานอยากมีอยากเป็น 1. ภวะทิฏฐิความเห็นที่ติดในความมีความเป็น 2. วิภวะทิฏฐิความเห็นที่ติดในความไม่มีไม่เป็นเป็นต้น หมวด3ารากเง่าแห่งอกุศลสามอย่างคือหนึ่งโลภะอยากได้ 2. โทสะคิดประทุษร้ายสมโมหะหลงรากเง่าแห่งกุศลสามอย่างคือหนึ่งไม่โลภสองไม่คิดประทุษร้ายสไม่หลงหมวดสการตั้งสติ สติปฐาน4ความเพียรชอบหรือส ม, มะปะทานสคือ1เพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้น 2. เพียนละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว 3. เพียรทำกุศลให้เกิด 4. เพียรทำกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งขึ้นเป็นต้นหมวด5ขันห้าคือ 1. นึ่งรู ป, ปรขัน กองรูป 2. เวทนาขัน์กองเวทนาความรู้สึกอารมณ์ 3. ส, สัญญาขัน์กองสัญญาความจำได้หมายรู้ 4. ส, สังขารขัน์กองสังขารหรือความคิดหรือเจตนาที่ดีชั่ว 5. วิญญาณขัน์กองวิญญาณคือความรู้แจ้งอารมณ์ทางตาหูเป็นต้น หมวดหกอายตนะภายในหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจหมวดเจ็ดอริยทรัพย์ทรัพย์อันประเสริฐเจ็ดคือหนึ่งจััทาเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ 2, สองศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยสามมิริละอายต่อบาปสี่โอตตะปะ เกรงกลัวต่อบาป 5. สุตตะศึกษาหรือสดับตรับฟัง 6. จาคะเสียสละ 7. ปัญญารอบรู้สิ่งที่ควรรู้หมวด 8. ความผิด8ดคือ 1. มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิด 2. มิจฉาสังกัปปะความดำริผิด 3. มิจฉาวาจาวาจาผิดสมิจฉากรรมันตะการกระทำผิดหมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพผิด 6. มิจฉาวายามะเพียรพยายามผิด 7. มิจฉาสติระลึกผิด 8. มิจฉาสมาธิตั้งใจมั่นผิดหมวดเก้า ที่ตั้งแห่งความอาฆาตเก้าคือผูกอาฆาตว่า 1. เขาได้ประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์หรือเสียหายต่อเรา 2. เขากำลังประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อเรา 3. เขาจะประพฤติสิ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อเรา 4. เขาได้ประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อคนที่รักที่ชอบใจของเรา 5. าเขากำลังทำอย่างนั้น 6. เขาจะทำอย่างนั้น 7. เขาได้ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนที่เราไม่รักไม่ชอบใจ 8. เขากำลังทำอย่างนั้น 9. เขาจะทำอย่างนั้นหมวดสิธรรมะที่ทาที่พึ่งหรือนาทะกรณธรรมคือหนึ่งมีศีลสํารวมปาติโมก หรือศีลที่เป็นประธาน 2. ส, สดับตรับฟังมากทรงจำได้ดี 3. คบเพื่อนที่ดี 4. ว่าง่าย 5. ขยันช่วยทากิจธุระของเพื่อน 6. ใคร่ในธรรม 7. สันโดษหรือยินดีตามมีตามได้ 8. ลงมือทำความเพียร 9. มีสติสิบมีปัญญาเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จลุกขึ้นจากบรรทมก็ตรัสชมเชยว่าพระสารีบุตรได้กล่าวสังคีติปริยายคือบรรยายเรื่องสังคยานาแก่ภิกษุทั้งหลายเป็นอย่างดี